ชวยสั่งสอนทราบซึ้งจึงเป็นแรงช่วยพักดันให้ฉันได้ก้าวไปถึงฝังฝันที่ฉันมุ่งหวังนั่งใจต้องการเป็นความพาคภูมิจากรู้ว่ามวงเหลือมก้าวสู่ความรุ่งเรืองทั่วกัน รู้สู่ยังท้องถิ่นบ้านเราพัฒนานำพาด้วยคุณธรรมน้อมนำสู่การศึกษาสิบนิ้วก้มลงวันทาศรัทธาบัง คุณธรรมน้อมนําสู่การศึกษาสิบนิ้วก้มลงวันท้าสาัทธาสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เปิดเครื่อง รับฟังอยู่ทางบ้านนะครับท่านโลกทัานเหตุการณ์กลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับเรานำเรื่องราวสาระนาดูมาพูดมาคุยกับท่านผู้ฟังในช่วงวันที่12พฤศจิกายนนะครับช่วงที่ผ่านมามีการประชุมครอมสัญจรที่การเชนบุรีที่มหาวิทยาลัยราชพัฒนการเชนบุรีนะครับโดยพลเอกประยุจันโอชา นายกรรีก็นําทีมไปประชุมคลมรมมีการช่วงเช้ามีการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างนะครับซึ่งก็มีการจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีะนะตรงนั้นแถวนั้นแหละครับนะแล้วก็มีการประชุมคลมรมนอกสถานที่หรือครมสัญจร น, นะครับซึ่งตรง น, นี้ก็มีการพิจารณานะประเด็นหลากหลายโดยเฉพาะ นายยงตรีก็ย้ำให้ในเทวันลิปตะพันลบลำตีประจำสำนักนายกนะได้รายงานแจ้งคอรมอรว่าเตรียมตอบกระทูกันอภิปรายไม่ไว้วางใจนายยงตรีและลรัฐมนตรีนะครับซึ่งตรงนี้ก็ให้แต่ละกระทรวงไปเตรียมนะครับไปเตรียมข้อมูลมานะตอบก็เป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นเรื่องอที่ดำเนินการตามระบบรัฐสภานะครับนาะที่ในส่วนของนายก ในส่วนของดนตรีก็จะถูกตรวจสอบโดยโดยสสฝ่ายค้านในสภ า, า, ามีการพิปรายเวื่องใจก็ต้องไปตอบคำถามนะก็เป็นเป็นเรื่องธรรมดานะครับนะที่จะต้องให้มีการดำเนินงานต่างๆนะครับโดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจนี่คงจะต้องเตรียมตอบนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะมีปัญหาก็คงจะต้องตอบเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้แล้วก็มีการอนุมัต โครงการพัฒนาในพื้นที่ทั้งถนนหนทางโครงการพัฒนาต่างๆแล้วครับในเขตภาคกลางนะครับในกลุ่มตอนล่าง1ก็คืออยู่แถวการจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีแถวแวนั้นนะครับนะั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวของของนายกงตรีนะครับนะว่าเป็นอย่างไรส่วนในส่วนของรัฐบาลนี่มีการคลอดโครงการจิมชอบใช้เฟส3นะครับซึ่งตรงนี้นี่ก็เริ่ม กันแล้วนะครับมีการเปิดให้ลงทะเบียนช่วงเช้าช่วงเย็นของแต่ละวันนะครับนะก็เริ่มกันแล้วก็มีการตั้งเป้าว่าประชาชนจะมาลงทะเบียนประมาณ2ล้านคนนะต่อเนื่องจากเฟส1และเฟสสอซึ่งมีคาดการว่ารวมแล้วประมาณ15ล้านค น, นคซึ่งหลังจากว่าตอนนี้ในประชาชนนี้ตอนตอบรับสูงว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็เฟส3นี่จะไม่มีการแจกเงิน นะให้นะครับนะเพาะวา่าอาจจะทําให้งบประมาณหรือใช้จ่ายเกินนะแต่ว่าก็จะอาจจะมีการ<ม>เขาเรียกว่ามีการเวลามีคนใช้ออกไปแล้วก็จะมีการคืนให้เป็ น, เ ป, นเป็นลดลดนะครับซึ่งตรงนี้นี่อาจจะมีการขยายขอบเขตการใช้อย่างเช่นสามารถนําไปซื้อแพ็กเกจทัวร์ค่าตั๋วเครื่องบินหรือว่าค่าอาหารที่พักนะครับนะแล้วก็ ไฟเขียวให้ใช้ได้ทุกจังหวัดนะครับแล้วก็ยังให้สิทธิ์กับคนสูงอายุนะครับนะคนสูงอายุก็เกิน60ปีเนี่ยก็จะให้ให้โคตาประมาณ 500, ห0 0แสนรายเพราะว่าในส่วนของผู้สูงอายุก็มักจะลงลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตไม่ทันคนหนุ่มคนสาวนะก็เปิดโอกาสให้กันโคดตาไว้นะั่นก็เป็นเป็นการเปิดเผยของนายอุตมะ สัปนายนต์น้ําตีคลังนะครับซึ่งโครงการนี้ก็จะเริ่มใช้แล้วก็จะไปสิ้นสุดในวันที่31มกราคมปีปีหน้าแะครับปี2563นะครับซึ่งตรงนี้นี่ก็มีการเปิดให้ให้ลงทะเบียนกันแล้วนะครับนะลงทะเบียนกันได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นในตรงนี้ต้องแต่เช้าก็หกนาฬกาเย็นก็18บแนาฬิกานะครับซึ่งตรงนี้นี่ก็นํานไปใช้ในจังหวัดทุนเองได้คือไม่ต้อง ไม่ต้องข้ามจังหวัดนะครับแต่ก็สามารถที่จะใช้จ่ายภายในจังหวัดของตนเองนะครับแล้วก็ตรงนี้นี่ก็จะมีการให้สิทธิ์เนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องของการใช้จ่ายเงินก็คืออย่างกรณีที่เนี่ยผู้ได้สิทธิ์เนี่ยไปใช้จ่ายมียอดใช้จ่ายถึงสามืนบาทก็จะได้รับเงินคืนสิบห้าเปอร์เซนหรือว่าไม่เกิน4ี่พันห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็ถ้าเกิด มีการใช้เงินเพิ่มขึ้นอีก 20,000 ื่นซึ่งเกินวงเงิน3 0,000 แต่ไม่เกิน5 0,000 ก็จะได้รับเงินคืนอีก20ซหรือไม่เกินสี่พบาทนะครับก็ก็จะได้รับเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 8,500 บาทก็เป็นการกระตุ้นให้คนที่มีเงินอยู่แล้วเอาเงินมาใช้ล้วครับนะถ้าใช้ยอดถึง 30,000 ่นบาทก็จะได้คืนมานะครับประมาณ 4,500 บาท นะครับ ก, ก็สาหรับคนที่จะมีเงินเดือนมีไรายได้สูงก็เป็นเรื่องของชนชั้นกลางแหละครับนะเป็นเป็นหลักเพราะเจ้าบ้านนี่ก็คงจะไม่สามารถที่จะเอ า, เ, อ า, เ, อาเงินสองสามห0ื่นไปใช้ได้นะครับไปใช้ใจ่ายท่องเที่ยวอะไรต่างๆกันได้เพราะฉะนั้นตรงนี้นีนะ่ก็คงจะเ ป, เ, ปเป็นเรื่องของชนชั้นกลางนะครับที่จะใช้ใเงินในโครงการชิมชอบใช้เนี่ยแหละครับนะนะมันก็เป็นกัน กระตุ้นนะครับนะก็ตุ้นรัฐบาลในพยายามกระตุ้นที่จะให้ประชาชนนี่ออกมาใช้ใจ่ายใช้ใจ่ายเงินนะครับนะเพื่อที่จะให้เศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับนะซึ่งก็เป็นที่รับรู้กันว่าเศรษฐกิจค่อนข้างที่จะชะลอตัวใ น, ใ น, ใ, นในช่วงนี้นะกรณีค่าเงินบาทในช่วงที่ผ่านมานี้แข็ง ค, ค่าเงินบาทแข็งก็จะทําให้สินค้ากเกษตรนะครับที่ส่งออกไปอย่างต่างประเทศราคาสูง กว่าประเทศเพื่อนบ้านก็จะทําให้เราส่งออกได้ลดน้อยลงนะครับนะเพราะว่าค่าเงินเราแข็งนะก็อาจจะสู้ราคากับทางกัมพูชาทางเวียดนามทางพมา่าทางทางประเทศเพื่อนบ้านเราไม่ได้นะครับเพราะวาราคาเขาผลิตผลทั้งข้าวทั้งมันทั้งยางพาราอะไรอาจจะถูกกว่าเรานะครับเพราะฉะนั้นในตรงนี้นี่คงคงคงจะต้องปรับเกี่ยวกับเรื่องของค่าเงินนะครับแล้วก็ รวมทั้งเราเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการตัด GSP ของสหรัฐอเมริกานะคือมีการตั้งกำแพงภาษีสําหรับสินค้าที่ส่งออกไปยังสหรัฐเนี่ยนะครับซึ่งไทยเรานี่ก็ส่งออกไปที่สหรัฐเียเป็นตลาดหลักตลาดใหญ่เลยทีเดียวเราเจอการขีดกันทางการค้ามันก็จะทําให้สินค้าส่งออกได้น้อยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะเริ่มเห็นเห็นผลกระทบแล้วครับนะว่า มีหลายโรงงานเริ่มทยอยนะมีการเลิกจ้างนะครับนะมีการปิดงานบางช่วงลงมานะครับตอนนี้ตรงนี้เริ่มกระทบคงจะต้องเร่งเร่งไปเจรจาแลครับนะเกี่ยวกับเรื่องของการค้าเพื่อที่จะได้สิทธิบัตรดีคืนมานะเกี่ยวกับเรื่องของ GSP นะครับนะสิทธิประโยชน์อะไรต่างๆทางการค้านี่คงจะต้องเร่งในการที่จะไปไปเจรจานะครับนะมาล่าฟังเพลงสักเพลงครับก่อนที่จะมาพูดมาคุยกันต่อครับ คุยกันนะครับว่าช่วงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนานยกงบุรีนี่นะครับไปไปไปไ ป, ประชุมคอรอมอสัญจรแล้วนะครับก็ในส่วนนี้นี่ก็ยังมีการลงไปดูเกีย่ยวกับรเรื่องของกิจการโคโนมกิจการอะไรต่างๆซึ่งแถวนั้นแถวราชบุรีนี่ก็มีนะครับฟาร์มโคโนมนะผลิตน้ํานมนะคุณภาพนะส่งนะครับก็ไป ส่งเสริมนะครับนะว่าให้มีนมโรงเรียนเนี่ยจะใช้ฟาร์มโคโนมเหล่านี้มาแล้วก็ส่งเสริมเกษตรกรในการเลี้ยงโคโนมมาส่งตามตามโรงเรียนก็เป็นก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับนะเพราะว่าจริงๆแล้วนักเรียนนะครับก็ใช้เกี่ยวกับเรื่องของนมโรงเรีย น, นยใช้จำนวนมากเลยทีเดียวในเรื่องขอ ง, ขอ ง, ข, องของการใช้ฟาร์มโคโนมต่างๆนะครับนะในช่วง น, นี้ในส่วนของอธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของ สายการบินเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของค่าเงินบาทแข็งนะครับซึ่งจากการรายงานของกระทรวงการคลังนะครับว่าวันที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมาตัวแทนผู้ประกอบการสายการบินราคาประหยัดหรือโลคอร์เอลไรห้าสายการบินมีทั้งไทยแอร์เอเชียแล้วก็ไทยไลออนแอร์นกแอร์เวียดเจ็ดแล้วก็บางกอกแอร์เวีเข้ายื่น นังเสือกับกระทรวงการคลังให้หาแนวทางบรรเทาความเดือดร้อนนะครับหลังจากประสบปัญหาขาดทุนเนื่องจากมีผู้ใช้บริการลดลงประมาณ 80-100% เต่อเที่ยวนะเหลือเหลือเพียงไม่ไม่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนเพราะว่าค่าเงินบาทนี่สูงต่อเนื่องนะครับนะซึ่งแม้ว่าจะเป็นผลดีต่อการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงราคาถูกแต่ก็มีปัจจัยการผลิตอื่นๆที่มีปัญหา ต่อการดําเนินงานของสายการบินนะครับก็ต้องได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐนะครับเพราะในตรงนี้นี่ก็มีการเสนอให้มีการปรับลดอัตราภาษีาสาบปสานมิตรนะ้ํามันเชื้อเพลิงนะของของคงจะเป็นของเครื่องบินนะครับนะแล้วก็มีการกําหนดอัตราภาษีสับปสานมิตรนะ้ำมันเชื้อเพลิงเป็นแบบขั้นบันไดคือมีการเสนอให้รัฐช่วยในด้านต่างๆนะซึ่งตรงนี้นี่คง ต้องเข้าไปพยุงแหละครับเพราะว่าสายการบินโลคอร์นี่ ก, กเ็เป็นสายการบินที่เชื่อมโยงระหว่างสนามบินภูมิภาคกับกรุงเทพก็เป็นการเคลื่อนไหวการเดินทางของภาคประชาชนนะครับคงจะต้องช่วยกันตรงนี้หรือไม่ในคงคงจะต้องดูนะครับนะก็มีเกี่ยวกับเรื่องของข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของจีนฮ่องกงซื้อยางพา ร, ราเพิ่มประมาณหมื่น 13,000 ล้านบาทนะครับซึ่งตรงนี้นี่จากการเปิดเผยของนายจูดินลักษณะวิสิตรองรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีพาณิชย์ก็บอกว่ากันตอนนี้มีการลงนามการซื้อขายยางพารานะครับระวังการยางแห่งประเทศไทยกับบริษัทของจีนของฮ่องกงสองบริษัทนะครับซึ่งก็จะซื้อยางไปคงจะไปเป็นผลิตยางรถยนต์อะไรต่างๆเพราะอุตสาหกรรม ในในบ้านเขานี่ก้าวหน้ามากนะครับนะก็ต้องใช้ยางนะถ้าซื้อยางไปแล้วก็ไปผลิตเป็นยางรถยนต์อะไรต่างๆซึ่งถ้าหาตลาดได้อย่างนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับในส่วนของกระทรวงพาณิชย์นะถ้าจะไปหากระดาษตลาดมาให้กเกษตรกรราคายางก็น่าจะมีการขยับขึ้นนะซึ่งซึ่งตลาดจากจีนเนี่ยก็เป็นตลาดใหญ่แล้วครับอย่างที่เรารู้กันเพราะว่า รถยนต์ในจำนวนมหาศาลล่ะครับในจีนแล้วก็รวมทั้งอินเดียด้วยนะครับในะอินเดียนี่ก็ก็เป็นตลาดใหญ่นะครับซึ่งตรงนี้นี่ก็ถ้าเราเจาะตลาดของจีนอินเดียได้ก็ในส่วนของอยางผารานี่ก็น่าจะมีการสูงขึ้นนะครับนะแต่ว่าอย่างอย่างที่บอกแล้วครับว่าในส่วนของอินเดียนี่ยังยังยังไม่ได้เซ็นสัญญานในข้อตกลงเขตการค้าเสรี ที่เราเรียกว่าอาเซบนะครับจากการประชุมอาเซียนซัมมิตที่ผ่านมาที่ที่กรุงเทพนะครับในในช่วงประมาณวันที่4 5, ีหพฤศจิกาที่ผ่านมามีการประชุมอาเซียนซัมมิตนะครับที่ที่กรุงเทพไทยเราเป็นเป็นเจ้าภาพมีตัวตั ว, ตวแทนของผู้นาประเทศจากอาเซียนนะครับสิประเทศรวมทั้งคู่เจรจาเพิ่งเป็นบิ๊กการค้าขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐ หรือประชาคมยุโรป E.U. หรือว่าในส่วนของอินเดียจีนญี่ปุ่นเกาหลีอะต่างๆเนี่ยมานะมาเจราจาการค้ากันมีการพยายามผลักดันที่จะให้เกิดเขตการค้าเสรีที่เรารู้จักกันในนามของอาเซ็ปนะก็คือนะในส่วนของ อ, อาเซียนนะครับแล้วก็บวกกับอินเดียบวกกับจีนนะครับเกาหลีญี่ปุ่น นะในส่วนของเกาหลีญี่ปุ่นแล้วก็ในส่วนของออสเตรเลียแล้วก็ดิวซีแลนด์นะถ้ามีการรวมกันได้นะครับมีการลดภาษนะีการค้าการขายระหว่างกันนี่ประชากรหลายพันล้านนะครับนะที่อยู่ในเขตนะการค้าเสรีนี้นะก็ประมาณเกือบ 40% ของทั้งโลกเนี่ยก็จะทำให้เป็นเขตนะเศรษฐกิจขนาดใหญ่นะครับก็พยายามที่จะทำอย่างประชาคมยุโรป นะครับแต่ว่าในส่วนของของของอินเดียนี่ก็ยังยังยังไม่ได้ลงนามนะครับยังไม่ได้ลงนามเต็มตัวก็ขอยืดเวลาไปก่อนนะก็คงจะต้องเจรจากันรอบหน้านะครับเพราะอินเดียนี่ห่วงเป็นประเทศที่ปกป้องตลาดอ่าภายในประเทศนะครับโดยเฉพาะอุตสาหกรรมภายในประเทศอย่างเช่นอุตสาหกรรมรถยนต์ก็ดีหรือ ว, ว่าอุตสาหกรรมเทคโนโลยีนะครับอ่ารวมทั้งอุตสาหกรรมทางด้านการเกษตร นะครับซึ่งในส่วนของนายกอินเดียก็คงจะห่วงว่าถ้ามีการเปิดเสรีนี่จะจ ะ, จ ะ, จะเสียเปรียบละครับน ะ, นะกับประเทศต่างๆอาจจะเสียเปรียบญี่ปุ่นเกาหลีทางด้านยานยนต์ก็ได้นะครับคืออาจจะสู้ไม่ได้นะครับของจีนเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีพวกมือถือพวกไอทีต่างๆน้วจากออสเตรเลียนิวซีแลนด์ก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับด้านอุตสาหกรรมทางด้านการเกษตรนะพวกอุตสาหกรรม แปรรูปทั้งนมทั้งอะไรต่างๆนะครับนะซึ่งอาจจะกระทบเพราะฉะนั้นอินเดียนี่ก็ยังยั ง, ย, งยังไม่ได้ลงนามนะเต็มลอยนะครับเราก็เราจะไม่เห็นมีถแถลงการร่วมของอาเซียนออกมาแต่ก็ยังเจรจากันต่อไปคงต้องรอรอบหน้านะครับซึ่งซึ่งเวียดนามจะเป็นประธานอาเซียนต่อจากไทยนะครับนะไทยเราส่งมอบให้ให้เวียดนามเป็นประธานของของอาเซียนต่อนะครับก็มีการเจรจา กันต่อไปนะครับนะความร่วมมือก็ยังมีความร่วมมือด้านอื่นๆนะครับนะที่มีการพูดคุยกันทั้งทางด้านวัฒนธรรมประเพณีนะครับทางด้านการค้าการขายทางด้านความมั่นคงทางอะไรต่างๆเนี่ยนะ ท, ที่จะร่วมมือกั น, นก็เป็นการเจรจาความเมืองเราก็ต้องดูนะครับว่ า, ว, าว่าจะมีจะได้ผลอะไรต่างๆกันหรือไม่นะครับโดยเฉพาะ เกี่ยวกัที่ที่มองกันคือการบริหารจัดการน้ําในลุ่มแม่น้ําโขงนะครับซึ่งซึ่งค่อนข้างที่จะแปรปรวนมากนะครับเราจะเห็นว่าปริมาณแม่น้ําโขงนี่ลดลงจํานวนมากนะบางช่วงนี่แห้งเลยนะครับต่างๆ ท, งที่อยู่ในช่วงของหน้าฝนเนี่ยเพราะว่าจะมีปัญหาการลึกสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ในในใ น, ในจีนในสอปอปอลลาวนะจะต้องมีการเจรจาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการ บริหารจัดการน้ำํำให้ใ ห, ให้ทั่วถึงจะทําได้อย่างไรนะครับเพราะไม่งั้นก็จะกระทบกับระบบนิเวศในแม่น้ําโขงก็เป็นไปได้นะครับสโลวนี้นะครับเวลาของรายการมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วชีวิตจะสั้นเพราะควันบุหรี่เรามาร่วมมือกันลดลาเลิกสูบบุหรี่ครับสำหรับวันนี้ผมนิรันดร์กุลธานานต้องขอลาท่านไปก่อนแลยพบกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ ายานคลอยต่ำลอยลำถึงปากน้ำโขหันหัวเรือลมโซ่้าปากน้ำโขสักคืนพี่เร่ร่อนนอนยินกระเพื่อน้องจงขีดเพื่อฟื้ให้จอดเรือหน้าบ้านฝัน พอพบน้องคนโก้ผู้โก้ใส่เสื้อสีไทยน้ำใจเอือ้อเฟื้อหนุ่มเรือไม่อยากปลาไกลอยากขายเรืองซื่อนาซื่อไรอยากยุก่ใกลแม่คน นนะแม่ควันตาพี่ขอลาก่อนชาวเรือต่อเย่ตำตัวดำเหมือนดินนาดอนโบกมือลาแก้วตาควันอ่อนแม่คนต่างอนอย่าลืมชาว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 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พ, พระบรมชนาการที่เบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร ม, มนาถอพิธเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี2562อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับขอเชิญร่วมงานวันคนพิการประจำปี2560